ใ่านอาจารย์เป็นไงอาจารย์อยู่เพศสักว์เลยแต่มาเข้าจุฬาปีหนึ่งสี่คุณมนเป็นไงภาวนาทีนี้วันนี้สู้ตายนะนั่งล่าเลยสมพงษ์หายไปไหนช่วงนี้ไม่เคยมาตกไปเยอะเลย บาที่เรเจอคนเยอะเนี่ยคือใจเรามันเข้าไปคลุกอยู่กับอารมณ์นี่มันต้องฟังธรรมนะวันหนึ่งมันรู้จบมาแล้วให้มันตื่นขึ้นมาโยอย่าไปแกล้งทำงนี่นะแกล้งทำแล้วก็เสือสลับ ก, กันกับแกล้งทำมันดูออกไหมอย่าไปตั้งใจนะอย่าไปตั้งใจไงโยมาจากไหนกัน เคยภาวนาที่ไหนมาสำนักอะไรนะอ๋อของอาจารย์รานีเอ้อาจารย์ตรณีเคย okay, เคยเจออาจารย์ินลูกศิษย์จาร์แนบอายุเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้เก้าสิบแล้วมั้งไม่เจอนานดีแล้ว <c oughs> นะฝึกไปม <c oughs> นื้อธมาติงนิดนึงพวกเราที่เรียนสายอภิธรรมเนี่ย เราอยู่ๆเราก็มีศีลสิกขา呐เราตั้งใจงดเว้นบาปอากุศลทางกายทางวาจาแล้วเราก็มีปัญญาสิกขาเรามากำหนดรูปนามกันนี่ตรงกำหนดรูปนามเนี่ยเราข้ามบทเรียนสำคัญเป็นบทหนึ่งชื่อว่าจิตสิกขาเพราะงั้นส่วนใหญ่ของคนที่ไปกำหนดรูปนามเนี่ยจะเป็นเพ่งรูปนาม แทนที่จะ ร, ะรูร้รู้รูปนามมันก็จะเป็นเพ่งส่วนใหญ่การเพ่งหรือการกำหนดนนการ ร, รึกรู้ไม่เหมือนกันรรการรู้รู้ไม่ได้จงใจจะรู้แต่อาศัยที่จิตเนี่ยมันจำอารมปรมัติได้จำรูปยืนเดินนั่งนอนครูเหยียดได้หรือจำนามมาทำได้อาศัยที่จิตมันจำสภาวะธรรมทั้งรูปทั้งนามได้เนี่ย เมื่อสภาวะอันใดที่จิตรู้จักแล้วเกิดขึ้นมาสติจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้จงใจเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจะทำหน้าที่ตามรู้หมายถึงว่าสภาวะรูปนามเนี่ยมีปรากฏอยู่สติทำหน้าที่ตามรู้ว่าตอนนี้กำลังมีรูปนามปรากฏอยู่ทันทีที่จิตมันเคยจำสภาวะได้แล้วพอรูปนามปรากฏนะสติจะเกิดขึ้นเอง นีพวกเรานักปฏิบัติเพียงแต่คิดถึงการปฏิบัติเราเกิดการกระทาบางอย่างทางใจเคยรู้สึกไหมเกิดการจงใจปฏิบัตนินการปฏิบัตินั้นเจือด้วยตัณหานะหรือเจือด้วยทิฏฐิว่าต้องทำอย่างนี้ดีต้องทาอย่างนี้ดนะีเจือด้วยตัณหากับทิฏฐิสภาวะของเราเนี่ยแทนที่เราจะมีสติตามรู้ตามรู้กายตามรู้ใจ ไม่กลายเป็นเราจงใจไปรู้ตามรู้โดยสติเกิดเองกับจงใจไปรู้ไม่เหมือนกันนั่นเลยส่วนใหญ่ลำบากนิดหนึ่งนะใจเคลื่อนไปใจไม่ตั้งมั่นจริงขาดสัมมาสมาธิสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิมีความสุขที่จะทำให้เกิดสัมมาสมาธิมีความสุขจากการที่ได้รู้รูปนาม ทันทีที่สติตัวจริงเกิดขึ้นระลึกรู้รูปนามนะความสุขจะเกิดทันทีเลยเพราะ ง, งั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วใจของเราคลิดเคลียดหนักหนักแน่แนแ่นแข็งแข็งซึมๆทื่อๆต้องรู้นะถ้าเรียนอริธรรมนะนั่นคืออากุศลจิตถ้ามาหากุศลจิตเนี่ยใจจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรเกการงาน ส่วนใหญ่ของเราก็คือเราเกิดโลภะขึ้นกันอยากปฏิบัติแล้วจงใจกําหนดจิตที่หนักหนักขึ้นมาหนักหนกแน่นแน่แนแ ข, แข็งแข็งซึมซึมทื่อๆกลายเป็นหลงสร้างอากุศลขึ้นมานี่ถ้าเราเรียนเรื่องจิตสิกขาซะก่อนนะอยากไม่ค่อยพลาดนี่ถ้าเราข้ามขั้นข้ามบทเรียนไปบทหนึ่งไม่เรียนจิตสิกขาอยู่ๆเรากําหนดรูปนามเลยมาแก่พลาด ง่ายโย่จิตหายไปไหนฝึกมาจากไหนคนนี้ไม่ไปปฏิบัติมาที่ไหนฝึกแบบไหนมาก็ดีน ะ, ะนะยืนเดินนั่งนอนก็คอยรู้สึกไปคุณแม่สิริแต่งกลอนไว้อันนะบอกมีปััสนากรรมาฐานงานดูจิตเคยได้ยินไหมเหมือนมีมิตรคอยเตือนเพื่อนคอยสอน ให้คอยดูจิตใจตัวเองไว้แต่ของคุณแม่สิริวัตรต่อไปบอกยิ่งกําหนดก็ยิ่งรู้ทางจิตจรใช่ไหมจะยืนเดินนั่งนอนสํารวมตนเลยของลงพ้อต่างกันนิดหนึ่งของหลวงพ่อไม่กําหนดนะทําไมไม่กําหนดเพราะว่ามีคัมภีร์อยู่อันหนึง่งนะอัทธกถามหาสติปฐานสูตรเนี่ยสอนบอกว่าสติอันกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์เนี้เป็นตัวทุกข์ ปัญหาคือความอยากปฏิบัตนะิอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามนีตัวสมุกไทยสังเกตไหมพอเรากำหนดเราทุกข์ขึ้นมาใจมันแน่นหนักใจที่หนักไม่มีละหุตาใจที่แข็งแข็งไม่มีมุทุตาใจจะนิ่งนิ่งไม่มีปา่าคุณตาไม่คล่องแคแล่วจิตเราไม่กก็พลาดไปเป็นอกุศลง่ายเพราะงั้นให้เรา ตามรู้กายตามรู้ใจไปนะตามรู้ไปจะทำอย่างที่เคยทำก็ได้ยกเท้ายั่งเท้าดูท้องฟองทอง้ทองยุบก็ได้นะแต่ให้เห็นนะว่าไอ้ที่ท้องฟองทอง้ทองยุบเนี่ยเป็นรูปอันหนึง่งที่จิตไปรู้เข้านะการปฏิบัติไม่ว่าจะเดินด้วยกายานุปัสสนาหรือจิตตานุปัสสนานะก็ต้องแยกรูปแยกนามทั้งสิ้นอย่างเราจะรู้รูปยืนเดินนั่งนอน ร, รูปยกย่างเหยียบเลยเนะี่ยบางแห่งเขาก็ไม่ยอมรับรูปยกย่างเหยียบจริงในสัมปชัญญะแบบ พ, พระพอนุลมได้พนะอใช้ได้ไม่เสียหายอะไรหรอกสังเกตให้ดีรูปนี้เป็นของที่ใจไปรูปเข้าสังเกตรูปกนามันแยกกันอยู่ค่อยๆดูหรือเราจะดูจิตเหมือนกันดูจิตก็ยิงอยู่กับรูปเหมือนกันไม่ใช่มีแต่จิตล้วนๆนะ อย่าตาเรากระทบรูปนี่รูปกระทบกับรูปความรู้สึกเกิดที่ใจตัวนามมันก็เกิดไปจากรูปตัวรูปก็เกิดมาจากนามงั้นที่จะปฏิบัติแนวไหนนะก็หนีรูปกับนามไม่พ้นนะแต่ส่วนใหญ่พวกเราชอบไปเพ่งอย่างเรายกเท้าย่างเท้าเราไปเพ่งเท้าถ้าไม่เพ่งเราก็ไปคิดไปคิดว่าเดี๋ยวจะยกเดี๋ยวจะยางนี่ยกกําลังยกยกหนอ้อยยกย่างหนอ้อยไม่คิดนะ ระหว่างที่คิดเนี่ยจิตรู้อารมณ์บัญญัติจะพลาดจากอารมณ์ปรมัตต์ไปให้ค่อยๆค่อยๆฟังนะยากนิดหนึง่งจะต้องหัดไปเรื่อยๆจนบรรดสติตัวจริงเกิดขึ้นมาฟังนะฟังด้วยความอดทนวันหนึ่งสติตัวจริงเกิดขึ้นมาจะรู้ว่ามันง่ายนิดเดียวมันเส้นผมบงผังภูเขาแท้ๆเลยของเราไปสร้างภูเขามาบังเส้นผมเราที่จริงคื อ, อยากปฏิบัติ อยากปฏิบัติก็เกิดการจงใจทำอย่างปฏิบัติแล้วตันหาคือตัวกิเลสเกิดการจงใจปฏิบัติการจงใจปฏิบัตินั่นเราเรียกว่าพบมีตันหาก็สร้างพบขึ้นมาคือการทำงานทางใจความทุกข์ก็เกิดอัตถาสติปัฏฐานหนึ่งสอนนี้สติไปกาหนดแล้วทุกข์มันเกิดเราเดินธรรมดาไม่ทุกข์ใช่ไมเรากาหนดจิตปบแน่นขึ้นมา หนักแน่นแข็งซึมทื่อในะ น, นลักษณะของอากูศโรจิตมหาอกูสโรจิตนะจะมีความเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคร่วว่องไวนะไม่ถูกกิเลสนิวรับกล้ำงำอย่างจิตมีโลภะอยากปฏิบัติเนะี่ยจิตไม่พวนแก่การงานนะจิตมีกิเลสกิเลสเป็นสหาชาติปัจจัยของกรรมงั้นระหว่างที่อยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติอยู่ขณะนั้นนะมีกิเลสอยู่ สติจริงๆไม่เกิดขึ้นมานิดหนีไปคิดทราบไหมให้ค่อยรู้ทันนะรู้ทันพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางใจยอมสังเกตหรือไม่ยอมนั่งฟังอาตมาพูดนียฟังไปคิดไปดูออกไหมระหว่างฟังกับคิดอะไรเยอะออ ก, กันนะเดี๋ยวค่อยตอบดูไปก่อนแล้วเอาของจริงมาตอบนะอย่าไปพลิกปริยัติมาตอบนะ ไงาอาจารย์พอจะรู้เรื่องบ้างยังถ้าจะถามอาสมาว่าเวลาจะปฏิบัติทำจะทํำยังไงเนี่ยเราจะชอบสนใจว่าจะทํำยังไงพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ทําอะไรเลยนะท่านบอกว่าให้รู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นเราจะรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นได้เราจะต้องไม่หลงสุดโต้ไปสองขาถ้าเมื่อไหรเราเผลอเราลืมตัวเอง ไปทางสวรรค์ขั้งหกเราจะลืมตัวเองเมื่อ น, นั้นเรารู้กายรู้ใจไม่ได้เช่นเห็นคนเดินมาไปดูเขาหัวใจวิ่งไปอยู่ที่เขาแล้วลืมกายลืมใจตัวเองได้ยินเขาคุยกันได้ยินอาตมาพูดตั้งใจฟังอาตมาพูดสังเก็ตไหมตั้งใจฟังอาตมาพูดลืมกายลืมใจตัวเองรู้สึกไหมเพราะฉะนั้นเวลาดูก็หลงดูเวลาฟังก็หลงฟังนั่งอยู่คนเดียวนั่งคิดอีก บางทีคิดอะไรก็ไม่รู้นี่หลงสุดคิดเลยบางทีคิดนะรู้เรื่องที่คิดรู้เรื่องที่คิดนะมันเป็นบัญญัติสังเกตไหมตอนที่เรารู้เรื่องที่เราคิดนะเราลืมกายลืมใจของเราเองเองีกล่ะเพราะงั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะเรารู้กายรู้ใจจริงๆนิดเดียวเลยนิดเดียวแทบไม่มีคนในโลกเนี้ยอยู่กับอารมณ์บัญญัตตลอดเลยไม่สามารถเห็นอารมณ์ประมาทได้เพราะว่าใจเนี่ยมวัวแต่ไปหลง หลงกับอารมณ์างหลงอยู่ในความคิดบ้างเมื่อไรหลงไปตามอารมณ์หลงไปตามความคิดก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เห็นคนเดินมาไปดูเขาลืมตัวเองนั่งคนเดียวนั่งคิดรู้เรื่องที่คิดลืมตัวเองลืมกายลืมใจนี่สุดโต่งไปข้างหลงสุดโต่งอันที่สองคือนั่งเพ่งไว้นั่งประคองไว้นั่งกำหนดไว้นั่งบังคับไปรวมนันที่พวกเราชอบนั่งกันนีเราดูรูปนั่งใช่ไหม ตอนแรกเลโลภะเกิดอยากปฏิบัติพยายามปฏิบัติแล้วคอยมาดูรูปนั่งบางทีก็ไปคิดเอาไอ้ที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานะนี่รูปมันนั่งนี่คิดนะคิดกับรู้ว่าเนี่ยควรละเรื่องกอะไรแล้วศัตรูกันด้วยแล้วก็ไปคิดว่านี่รูปมันนั่งนะอ้ามันเมื่อยแล้วมันจะ้ขยับอยากจะลุกขึ้นยืนแอ่ต้องมาคิดพิจารณาทําไมจะต้องยืนเพราะมันจําเป็นอย่างเงี้ยนี่คิดทั้งนั้นเลย เราจะไม่เห็นใจ ล, ลักเมื่อไรยังคิดอยู่ลักษณะยังไม่แสดงออกมาลืมตัวเองอาจารย์ทราบไหมตั้งใจฟังอาตมาแล้วลืมตัวเองรู้สึกไหมลืมอย่างนี้หมายถึงว่าเรามีกายอยู่ก็เหมือนไม่มีแล้วเห็นความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจของเราเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อย่างตอนนี้ใจสงสัยทราบไหม อสงสัยให้รู้ว่าสงสัยไม่ใช่สงสัยเรายิ่งคิดใหญ่อาจารย์สังเกตไหมพอสงสัยแทนที่อาจารย์จะรู้ว่าสงสัยนะอาจารย์ยิ่งคิดมากขึ้นกว่าเก่าอีกดูออกไหมนั่นแหละผิดแล้วนะไม่ใช่ให้หยุดสงสัยให้รู้ว่าสงสัยให้รู้ไปที่ความรู้สึกสงสัยเราจะเห็นว่าความรู้สึกสงสัยมีเหตุก็เกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ก็ดับไป สภาวะหรืออารมณ์ทั้งหมดก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบนี้กิเลสทุกตัวทำหน้าที่เดียวกันทำหน้าที่ให้เราลืมตัวเราเองอย่างความสงสัยเกิดขึ้นแทนที่เราจะรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่เห็นความสงสัยเป็นนามมาทำมาหนึ่งผ่านมาในใจแล้วก็ผ่านไปความสงสัยเกิดขึ้นมันบ่งการพฤติกรรมของเราเลยยิ่งคิดหาคำตอบใหญ่ขณะที่พยายามไปคิดหาคำตอบเนี่ยเราไม่เห็นว่าจิตใจกำลังสงสัยอยู่ กำลังสงสัยอยู่ทราบไหมยิ่งผิดชิตใหญ่เดือดออกไหมไม่หาคําตอบบอกแล้วองความรู้ไม่มีความประยุกต์ไม่มีความหมายอะไรเลยให้รู้ตัวสภาวะลงไปความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยเกิดขึ้นความสุขเกิดให้รู้ว่าความสุขเกิดความทุกข์เกิดขึ้นมารู้ว่าความทุกข์ความเศร้าเกิดรู้ว่าเศร้ารู้ไปที่ตัวสภาวะไม่ต้องคนกว่าไม่ต้องคิดหาคําตอบ เหนี่ยวสภาวะทุกๆตัวจะแสดงธรรมะให้เราดูธรรมะที่รูปกับนามหรือกายใจมันแสดงให้ดูนเรื่องเดียวกันหมดเลยเรื่องไม่เที่ยงนะเรื่องเป็นทุกข์นะเรื่องบังคับไม่ได้อย่างความสงสัยเนี่ยไม่ได้เจตนาจะสงสัยรู้สึกไหมอยู่ๆความสงสัยก็ผุดขึ้นมาคจริงก็เกิดจากคิดนั่นแหละคิดไปแล้วก็เลยสงสัยขึ้นมานะจิตฟุ้งซ่านไปจับอารมณ์ไม่ถูกต้องแล้วก็เลยสงสัยขึ้นมา หรือความโกรธเนี่ยไม่ได้เจตนาจะโกรธมันโกรธขึ้นมาให้เราดูลงไปเห็นไหมจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้นะความโกรธจะเกิดความสงสัยจะเกิดความสุขความทุกข์จะเกิดเนี่ยเลือกไม่ได้เลยบังคับไม่ได้ให้เราเฝ้ารู้จนกระทั่งวันหนึ่งใจเนี่ยมันตยอมจํานวนกับข้อเท็จจริงมันยอมจํานวนกับข้อเท็จจริงว่าจิตใจนี่เป็นของที่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราและนี้เรียกว่ามีสัญญา พอเราเห็นอย่างเนี้ยจิตใจจะคลายความยึดถือจะอคลายความยึดถือว่าจิตเป็นตัวเราหรือกายเป็นตัวเราพอ mm. มันยึดน้อยลงนะความทุกข์ทางใจจะลดลงยึดมากทุกข์เยอะนะอย่างโยนี้ยึดการปฏิบัติอยากเป็นคนดีพยายามพยายามยิ่งพยายามยิ่งทุกข์ใช่ไหมดูออกแล้วนะสมพงษ์ค่อยตื่นขึ้นมาหน่อยอย่างนี้ค่อยสมศักดิ์ศรีดูออกไหมว่ามันพลาดตรงไหน นึอกออกล้วใช่ไหมหลวงพ่อจะแก้ให้หลายทีหน้าแก้ไม่สําเร็จอแป๊บเดียวหายไปแล้วมาวันที่คนโยโยทุกทีเลยโยทําอีกแล้วอยู่จงใจปฏิบัติก็ผิดแล้วนะอยากอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วจิตใจซึมไปรู้สึกไหมซึมรู้ว่าซึมอย่าไปหลงอยู่กับความซึมนะรู้สึกรู้ทันมันน่นใจลอยแล้วรู้ไหม ใจลอยร้วยใจลอยเราไปดูเขาเห็นเขาใช่ไหมลืมตัวเองรู้สึกไหมเนี่ยหลงดนะูเวลาฟังก็หลงฟังเวลาคิดก็หลงคิดนะสุดตรงไปข้างหลงเนี่ยนะก็ทำให้รู้กายรู้ใจไม่ได้สุดตรงไปข้างหลงมีหกแบบคือหลงไปทางทวารทั้งหกมัวแต่รู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกลืมกายลืมใจตัวเองนะอีกข้างหนึง่งข้างบังคับไวตรัศองไวกาหนดไว ใจก็ได้ห น, หนักแน่นๆ แ, นแข็งๆทื่อๆขึ้นมานี่สุดตรงไปข้างบังคับถ้าไม่สุดตรงทั้งสองข้างเนี้ยความรู้สึกตัวมันจะดีดต่างขึ้นมาเองเนี่ยหีไปคิดแล้วทราบไหมใจลอยแวบไปคุณผู้ชายเนี้ยให้รู้ทันนะรู้ทันมันเนี่ยหนีอีกแล้วดูออกไหมไหววับไปเฉยๆแค่นั้นนะห้ามไม่ได้นะไม่ได้เรียนเพื่อจะห้ามด้วยแต่เรียนเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันห้ามไม่ได้ มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเรื่อเนี่ยหนีไปอีกแล้วทราบไหมนะจิตมันตกไปจากความรู้สึกตัวนะตกไปจากอารมณ์รูปนามเนี่ยหนีไปอีกแล้วเห็นไหมนะให้คอยรู้ทันนะ่ะยากมากเลยกว่าคนหนึ่งคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมานะ่ะยากที่สุดเลยต้องฟังนะเราไม่ใช่ตรัสรู้เองเราต้องฟังมีพิชิตอีกแล้วทราบไหม ไม่ต้องคิดเปรียบเทียบเลยนะคิดอะไรรู้ทันมันเนี่ยหนีไปอีกแล้วพยายามหน้าอย่ารับไหมหเห็นรูปมันไหวนะนเห็นรูปเป็นเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาหนีไปคิดอีกแล้วดูออกไหมเห็นไหมว่าจิตห้ามไม่ได้ไม่ใช่เรียนเพจะห้ามนะเรียนให้รู้ทั น, นรู้อย่างที่เขาเป็นจะเห็นเลยมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากบังคับมันไม่ได้ รู้สึกตัวนะือไปอีกแล้วดูออกไหมมันกระจุนี่ไปอยู่กับความนะคิดนะคอยรู้ไว้นะรู้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีสติจริงหรอกถึงจะไปนั่งดูรูปก็กลายเป็นนั่งเพ่งรูปไม่ก็นั่งคิดเรื่องรูปนั่ง น, นี่มันรูปนั่งไม่ใช่เรานั่งไปคิดนะอีกพวกหนึ่งเพ่งลงไปที่รูปเลยเพ่งอาตมาทำหน้าให้ดูนะใจของเราจะทื่อทื่ย นั่งรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะเมื่อยไม่ได้กินนะนี่เพ่งเอาไม่ใช่การรู้แนละ้วไปยักหน้าแนละ้วทราบไหมเห็นรูปเมันไหวไหมไนึกได้ไหมว่าไปยักหน้านี้ไปคิดแล้วทราบไหมยากนะยากอดทนนิดหนึ่งนะทนคนที่เคยเรียนอริธรรมแล้วเนี่ยอาจจะมาชอบมากเลยเพราะว่าทนถ้าไม่ทนได้เรียนอริธรรมไม่ได้อะ ลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมอาจารย์ากาลังพยายามให้รู้ตัวกลังพยายามนี่แหละหลงอยู่กาลังพยายามอาจารย์รู้ไหมว่ากําลังพยายามอยู่นี่มันอยากรู้ตัวแล้วก็เกิดการกระทำขึ้นมามีความอยากก่อนแล้วก็มีการกระทำขึ้นมานีมีกิเลสแล้วก็มีกรรมหรือมีตัณหาแล้วก็มีภพภพแต่ว่าการทำงานทางใจนี่กรรมภพ สังเกตไหมมีความอยากก็เกิดการกระทาเราไม่รู้ตั้งแต่ความอยากเกิดขึ้นเราก็ถูกความอยากครอบงำการกระทาที่พยายามจะรู้สึกตัวเนี่ยทำไปเพราะกิเลสฝึกนั่นเราอย่างรู้ไม่ทันให้รู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ว่าควรหรือไม่ควรควรหรือไม่ควรนี่มันน่าจะเป็นเราดูของเป็นจริงเลยความอยากเกิดขึ้นรู้มีความอยากเกิดขึ้น ถ้ารู้ทันเนี่ยใจจะหมดการกระทำหมดการตรุงแต่งเนี่ยนีไปคิดอีกแล้วทราบไหยสงสัยทราบไห ม, สส ร, ไหมรู้ลงไปที่ความรู้สึกสงสัยสิดูที่ความรู้สึกนะอย่าไปหามันแนคะ่สงสัยให้รู้ว่าสงสัยนะไม่ต้องไปหาว่าหน้าตาเป็นยังไงนะไอ้นั่นกลายเป็นว่าเราสงสัยว่ามันเป็นยังไงเราไม่เห็นว่ากลาลังสงสัยอยู่อีกนะ ลงมือไปหาหมันจิ๊ต้องทนทนนะฟังธรรมะต้องทนมากๆากเลยกว่าอาจารย์จะเรียนเภสนะัชจบแล้วตั้งสิบกว่าปีนะตั้งแต่ตอนหนึ่งมางั้นเรียนธรรมะใช้เวลาเหมือนกันถ้ารีบร้อนเนี่ยจะไม่เข้าใจยิ่งอยากยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งคิดมากยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งนึกว่าเราเก่งหรือเราโง่สุดขีดยิ่งไม่รู้เรื่องเพราะมีเครื่องปิดกั้น ทำให้เนิ่นช้าอยู่สามตัวคือตัณหาความอยากอยากปฏิบัติอยากรู้เรื่องไม่รู้เรื่องหรอก mm. ทิฏฐิความคิดความเห็นของเราอย่าเอาความคิดความเห็นมาใช้เอาของจริงมาดูดูของจริงที่กายที่ใจถึงอยารู้เรื่องคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องอีกอันหนึ่งมานะถือตัวถือว่าแน่ไม่เรียนอะไรแล้วอันนี้ก็ไม่รู้อะไรใหม่ๆถือว่าชั้นนี้โง่ที่สุดเลย ฉันไม่มีวันเรียนได้เลยพวกนี้ก็เรียนไม่ได้เหมือนกันใจฟออาจารย์เห็นไหมตั้งใจรอฟังอาตมาพูดใช่ไหมลื้ตัวเองอหรอรู้สึกไหมมีร่างกายก็เหมือนไม่มีใช่ไหมนั่นน่ะไม่ได้นึกถึ ง, นนะ ม, ถงมันคอยนึกถึงมันไหมถือว่าเรามีร่าง ก, กายอยู่อย่งนี้คอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจของเราจิตใจเรามีความรู้สึกยังไงครบคอยรู้ รู้สึกไม่ไม่ต้องฟังอาตมาฟังอาตมาเนี่ยเป็นของปลอมนะธรรมะปลอมๆฟังแล้วก็ไปิดคิดคิดแล้วก็ไปจําใช้ไม่ได้เลยไม่มีของจริงเลยของจริงอยู่ที่กายกับใจเราเนี่ยอาตมาบอกแล้วไงว่าฟังอาตมาพูดนะไม่ได้ฟังของเนื้อหาแต่ฟังเพื่อจะหัดอ่านใจตัวเองให้ออก<ม>เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการฟังไม่เหมือนกัน ถ้าฟังเพื่อจะเอาเนื้อหาเียกว่าฟังเชิงปฏิยัติฟังเพื่อจะหัดรู้กายรู้ใจเรียกว่าฟังเชิงปฏิบัติเพราะฉะนั้น อ, อาจารย์คอยระลึกถึงกายระลึกถึงใจไปสติว่าความระลึกได้คอยระลึกไดประลึกอยู่ที่กายระลึกอยู่ที่ใจใกายมันยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดก็คอยรู้ไปจิตใจนะมันสุขมันทุกข์มันเป็นกุศลอกุศล มันเศร้ามองมันผ่องใสอะไรเนี่ยก็คอยรู้มันไปนี่เป็นวิธีเรียนรู้ศา ส, สนาพุทธนะเพราะความทุกข์ศาสนาพุทธเนี่ยมุ่งตอบคำถามมันเดียวว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์นะงั้นเราจะเรียนลงไปที่อะไรเป็นตัวทุกข์กายกับใจนี่เป็นตัวทุกขนะ์ไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจให้เราคอยมีสติคอยระลึกสติ ค, คือความาระลึกนั่นเองคอยระลึกรู้ที่กายาระลึกรู้ที่ใจบ่อย ลองค่อยๆดูไปสังเกต ด, ดูความทุกข์มันมาได้ยังไงค่อยๆดูไปโดยเฉพาะทางใจนะความทุกข์ทางกายเนี่ยมันมีขึ้นมาแล้วมันต้องทุกข์แน่นอนแต่ใจเราเนี้ยไม่ทุกข์ได้ใจเนี่ยไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองเนี่ยเห็นไหมลืมใจแล้วแอบไปคิดดีแล้วสมพง์โอ้ฟื้นแล้วก็ยังชั่วนหน่อยนะทำอะไรทั้งหลายเดือนนะะ เห็นแวบๆหายไปอีกละหาไม่เจอหรือบางทีเข้ามาตอนหลวงพ่อหมดแรงแนะตอนสิบโมงกว่าะช่วยไม่ไหวนะแล้วตอนนั้นหลวงพ้อต้องช่วยตัวเองโยมมาเยอะๆแนละ้วมาผลัดกันมาชกกับเราไงโ ย, ยมหนูห น, ะนีไปแล้วเนะก้าเป็นไงเก้าดีขึ้นยังเก้าแ ย, แย่กว่าเก่าอยู่หรอ ทำไมอ่ะมันเป็นยังไงมองใจไม่ออกเหรอคืออย่างใจเราไม่สบายใจเนี้ยนะเรารู้ว่าไม่สบายใจใจเรามีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสอันเนี้ยดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะที่ไม่ดีก็คือไม่รู้จะกายรู้ใจตัวเองพระพุทธเจ้าสอนไงว่าถ้าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลนะดีนะดีไม่ใช่ไม่ดีเพราะนั้นที่เกาบอกว่าไม่ดีจริงจริงดีนะ กิเลสเกิดก้าเห็นใช่ไหมเผล อ, อไปละรู้ไหมสองคนเนี้อย่าไปตั้งใจรู้สึกไหมว่ามีการกระทําทางใจเกิดขึ้นมันแข็งแข็งเกร็งเกงขึ้นมารู้สึกไหมเนี่ยแอบปรุงแปลงลนะให้คอยรู้ทันนะอยากความอยากเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เกิดการกระทํานะคอยรู้เรื่อยๆรู้ไปสบายๆรู้เล่นๆต้องรู้สบายๆนะ ปฏิบัติแล้วใจเครียดเมื่อไหร่แสดงว่าทําผิดแล้วแล้จิต ท, ที่เครียดเนี่ยเป็นอกุศลจิตเท่านั้นเป็นโทสะมูลจิตจิต ท, ที่เครียดเครียดถ้าเราปฏิบัติแล้วรู้สึกใจเราแข็งแข็งเครียดเครียดอกุศลแล้วละ่ะต้องหยุดทันทีเลยทําผิดแล้วทําผิดแล้ ว, ลวห้ามขยันนะคล้ายๆเดินติดทางอย่าไปเชียงใหม่นะหันหลังลงไปทางใต้แล้วขยันเดินยิ่งไปไกลเลย งันถ้าเมื่อไรใจเราหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งเครียดเครียดหยุดก่อนตั้งหลักใหม่ทําผิดแล้วห้ามขยันรู้จักใจลอยไหมเออดีที่รู้จักนะรู้จักทีแรกใจลอยแล้วก็พอหันมาเห็นหลวงพ่อแล้วกเกรงขึ้นมารู้ไหมคอยควบคุมใจตัวเองอ่ะดูออกไหมให้คอยรู้ทันนะหนีไปคิดละลืมตัวเองละนะ คอยรู้สึกเรื่อยๆสติเป็นความระลึกได้ระลึกได้ในอะไรในรูปในนามในกายในใจนี้ถ้าสติธรรมดาก็าระลึกในอารมณ์่ายกุศลถ้าสัมมาสติาระลึกรู้รูปนามสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตถ้าสัมมาสมาธิก็ตั้งมั่นในการรู้รูปนามแต่ไม่ใช่นั่งจ้องนะนั่งจ้องทำด้วยโลภะไม่เรียกว่าตั้งมั่น ตัวปัญญาก็คือความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามเรื่องรูปนามทั้งนั้นนะมีปีกิดอีกแล้วทราบไหมเอออย่างนี้เรียกว่ารู้สึกตัวรู้สึกไหมมันคล้ายๆเราตื่นขึ้นมาะมีคําว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจต้องตื่นขึ้นมาพทันทีที่ตื่นขึ้นมานะรู้ลงที่รูปรูปไม่ใช่เรานะ่ะรูปเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราง่ายคุณวุฒ แอปนีมาดูเครื่องนี้ละเมิดลิขสิทธิ์ใจลอยรู้จักไหมลืมตัวเองอีกแล้วเคนะรู้สึกไว้นะสามคนเนี้ยอย่าบังคับมันนะรู้สึกไหมเราพยายามบังคับตัวเองอยากปฏิบัติเกิดขึ้นจงใจเอาสติจ่อไวนะ้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมา สติไม่ได้แปลว่ากำหนดรู้นะเรารุ่นหลังๆเราชอบไปแปลสติว่ากำหนดรู้ในพระไตรปิฎกนี่สติแปลว่าความระลึกได้สภาวะของมันคือการระลึกไม่ใช่การกาหนดกาหนดทาด้วยโลภะความระลึกได้อะไรเป็นเหตุใกล้ให้ระลึกได้หรืออะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติพระพีธรรมสอนชัดๆเลยการจำสภาวะทำได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ ทำยังไงถึงจะจำสภาวะธรรมสภาวะธรรมคืออะไรรูปนามกายใจเราเนี่ยทยําังไงจะจําได้แม่นยําต้องเห็นบ่อยๆต้องเห็นเนืองเนืองเห็นกายเนืองเนืองตามรู้กายเนืองเนืองก็เรียกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตามรู้จิตเนืองเนืองเรียกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตามรู้เป็นเนืองเนืองในที่สุดจําสภาวะได้จิตมันจําได้นะไม่ใช่เราจําเมื่อเราไปนั่งเรียนนั่งท่องเนี่ยเราจําจิตไม่จํา นี่พอเราดูของจริงที่กายกายเคลื่อนไหวคอยรู้ใจเคลื่อนไหวคอยรู้นะนี่แกล้งทำขึ้นมาแล้รู้สึกไหมอย่าไปบังคับมันขึ้นมานะอย่าไปอัดมันแข็งแข็งขึ้นมาทำตัวให้มันสบายๆนะอะไรแปลกปลอมขึ้นทางกายทางใจนี่สติจะเป็นคนรู้ทันทีที่สติตัวจริงเกิดนะจิตจะเป็นกุศลฉับพลันเลยทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตจะมีความสุขฉับพลันเลย เพราะจิตที่เป็นกุศลนี้นมันมีโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาอุเบกขานุ่มนวล น, นะไม่ให้อุเบกขาแข็งแข็งนะอุเบกขาแข็งแข็งน อ, อุเบกขาปลอมเนี่ยอุเบกขาปลอมเนี่ยไม่เอานะยังทําไม่เลิกเออตายอย่าจงใจตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นเริ่มน้อมใจด้วยกําลังของสมถะก็รู้ทันมันนะรู้ทันมันเรื่อยๆ ได้เปลยนอิริยาบถแล้วมันรู้สึกสบายใจรู้ว่าสบายใจนะใครรู้เล่นๆรู้เล่นๆรู้เล่นๆได้ของจริงๆอาจารย์รู้จักใจลอยไหมอ่าใจลอยภาษาบพระเรียกว่าขาดสตินะใจลอยมีหลายระดับนะใจลอยแบบคิดอะไรก็ไม่รู้นี่ใจลอยสุดขีดเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือไปคิดรู้เรื่องที่คิดแต่ก็ลืมตัวเองนะรู้แต่เรื่องที่คิด หมแต่คอนเซนเทรตกับเรื่องที่คิดลืมละระลึกรู้กายะระลึกรู้ใจนะเพราะงั้นอาจารย์คอยะระลึกรู้กายะระลึกรู้ใจเรื่อยๆนะเห็นมันนั่งอยู่เนี่ยดูไปเลยไอ้ตัวนี้นั่งอยู่ไม่ใช่เรานั่งอยู่จิตใจก็เหมือนกันง่ายเป็นไงส่งกันบ้านไหมคุณมาทีหลังเขาทุกทีเลยอเป็นไงภาวนาเป็นไงบ้างใครรู้เรื่อนะดีแล้วใจมันค่อยๆตื่นขึ้นมาลนะ่ะ ออาโยมหนูว่าไงจะเอาอย่างหลวงพ่อเทียนเนอะอ๋อความรู้สึกอะนะอ้าทีแรกก็เ ล, ก เ, ลกเล็กเล็กใจน้อยต่อมาก็ใจใหญ่นะถ้าใหญ่มากๆเนี่ยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ ทุแลวมันจริงละคือสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมันเหมือนมันมีพลังเยอะขึ้นเหมือนมันตัวใหญ่ขึ้นไม่เป็นไรนะมีพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนไว้บอกว่าถ้าใครบอกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะอย่าเพิ่งอนุโมทนานะแต่ก็อย่าเพิ่งขัดขานให้ถามดูก่อนบอกว่าเมื่อตาเห็นรูปเนี่ย จิตของท่านเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนนี้คาถามคำตอบนี้ใช้ไม่ได้นะคนรุ่นหลังมาอ่านแล้วเนี่ยนะรู้ฉเฉลยอะ่ะ <c oughs> มีอยู่อันหนึ่งก็คือจิตใหญ่กว้างกวา ง, วางไม่มีประมาณนะไรขอบไเรเขตงั้นจิตของเรายังมีจุดมีดวงมีขอบมีเขตนะแล้วก็ไม่ว่าจิตนี้จะโตขึ้นขนาดไหน เปลือกนี้ยังอยู่เปลือกนี้ยังอยู่จนกระทั่งเมื่อไรอาสวะถูกทำลายไปเปลือกเองก็แตกดูดูออกไม้มเหมือนอยู่ในแคปซูล กดีแล้ ว, ลวนะใหญ่ยโยมลุงสีหนีไปล้อ๋อไม่ได้ส่งสามคนนี้ใจลอยรู้จักไหมสี่ด้วยแถมโบอีกคนนะใจลอยรู้สึกไว้นะ ห, หนีไปและหนีไปแนะ้วพอไม่หนีไปก็บังคับไว้รู้สึกไหมบังคับแล้วรู้สึกไห ม, อมพอไม่หลุดออกไปก็บังคับไว้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจะหลงสุดตรงอยู่สองฝั่งตลอดเวลา พระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมะทำเทศนากันแรกถึงไม่ได้สอนว่าปฏิบัติอย่างไรถูกท่านสอนว่าอะไรบ้างที่ผิดนะสิ่งที่ผิดที่ท่านบอกว่าไม่เอาอ่ะมีสองอานสุดต่ง2 อ, อย่างนะคือการหลงตามกิเลสอย่างหนึง่งการบังคับกดข่มตัวเองอย่างหนึง่งนะสิ่งที่พวกเราทําส่วนใหญ่นะก็คือการบังคับตัวเองรู้สึกไหมบังคับให้มันนิ่งบังคับให้มันสงบบังคับให้มันดี ถาเราบังคับก็คือเข้าไปแทรกแซงกายก็นิ่งใจก็นิ่งผิดความเป็นจริงเท่ากับเราไม่มีตัวอย่างที่จะศึกษาตามความเป็นจริงนะกลายเป็นตัวอย่างที่ถูกดัดแปลงเมื่อกี้ที่ตอบท่านใช้ได้นะคิดไปไม่ทราบว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าได้ได้ได้ใชได้สบายกว่าน้องสาวน้องสาวคิดเยอะคิดเยอะแต่ท่านไม่ค่อยชั่วลงหน่อยละ แต่ใจยังแข็งอยู่รับไหมยังดูออกไหมมันยังมีความแข็งอยู่อ้าวคุณแอลรู้สึกตัวและยีรีบรู้สึกเลยกลัวจะไล่มาทางนี้แนละ้วยีกำลังเผลอๆ อ, <c oughs> อ้าวคุณผู้หญิงคนเนี้ยจิตใจกำลังแอบไปทำอะไร เออรู้ทันนะรู้ทันแล้วใช้ได้นะใจมาอยู่กับสมาไม่ได้นะอยู่กับตัวเองเนะคย ร, รู้ทันไหมรู้ทันมันวิ่งไปทางไหนรู้เดี๋ยวนี้ดูออกเลยใช่ไหมมันเคลื่อนทั้งวันน่ะเคลื่อนไปเรื่อยดูออกไหมว่าห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ดูออกไหมไม่เที่ยงดูออกไหมว่าทุกสภาวะทนอยู่ไม่ได้นะมีแต่อยู่ชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะอยู่ชั่วขณะแล้วก็เปลี่ยนไป ใครรู้เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลดูออกแล้วใช่ไหมนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆดูออกใช่ไหมเนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยนะวันหนึ่งใจยอมรับข้อเท็จจริงแล้วว่าสภาวะทั้งหมดเลยบังคับไม่ได้นะไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นนิตาถ้าใจยอมรับข้อเท็จจริงตัวนี้ก็เข้าถึงธรรมะนะมีดวงตาเห็นธรรมถ้าใจไม่ยอมรับนะจะเอาดีไม่เอาไม่ดีเลย รักดีเกลียดชั่วรักสุขเกลียดทุกข์รักละเอียดเกลียดหยาบรักภายในเกลียดภายนอกเลยนะนหนีไปแล้วทราบไหมนะนะดีแล้วละดีแล้ะทําถูกแล้วนะสึกไปแก้วหนีไปคนแล้วยมไม่เคยมาฟังใหม่ๆจะ ง, งงนิดนึงนะอาตอมาพูดอะไรเขไม่รู้เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยก็ <c oughs> พูดกับทีละคนอ่นะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ย ใจลอยแล้วรู้จักไหมใจหนีไฟคอยรู้สึกไหมนะบังคับมันอยู่ทราบไหมคอยสํารวมระวังเอาไว้อะมีการกระทําทางใจคุณดูออกไหมมันไปดึงไว้ให้นิ่งนะเราบังคับใจของเราไว้อย่างนี้ไม่ถูกนะให้รู้อย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ให้ไปบังคับเขาหนีแวบดูออกไหมหนึ่งแวบ ให้รู้ทันลงไปทีละขณะทีละขณะเนี่ยหนีอีกแล้วดูออกไหมบังคับไม่ได้ยากสิไม่งั้นพระอริยะเต็มบ้านเต็มเมืองต้องยา ก, ยากนะพระพุทธเจ้ายังบอกว่าจิตต้เป็นของไหวนะจิตอาศัยอยู่ในกายเป็นครูหาให้จิตอยู่เที่ยวไปรวดเร็วแมมมือระดับพระพุทธเจ้าว่าเร็วนะต้องเร็วจริงอะ่ะ แต่พวกเราเห็นมันเร็วไปหาทางทำให้มันช้าพยายามไปหน่วงหนวงให้มันอืดนๆแกล้งเดินช้าช้านั่งช้าช้านะทำอะไรให้ช้าๆกิเลตไม่ช้าด้วยนะไม่มีทางเลยมีแต่ต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่แกล้งหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงการหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงเป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยนหน้าที่ของเราฝึกสติให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะทาไงสติจะเกิดบ่อยสติเกิดจากการจาสภาวะได้ หัดรู้สภาวะเรื่อยๆจิตใจมันไปทําอะไรคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆ ร, ร่างกายยืนเดินนั่งนอนคูเหยียดนะเหลียวซ้ายแรงขวาคอยรู้สึกเรื่อยๆ เ, เอากายเอาใจมาเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกตัวใจอาจารย์หนีไปไหนละ่ะหนีไปจากตัวเองรู้สึกไหมอาจารย์นห่นแล้วมีคําว่าพยายามอีกล้ตรงที่พยายามนั่นแหละผิดละ ตรงที่พยายามมาเป็นผิดแล้วที่จริงก็คืออยากทําให้ถูกอาจารย์รู้สึกไหมอาจารย์อยากทําให้ถูกใช่ไหมตมากําลังบอกว่าถ้าอยากทําให้ถูกแล้วไม่มีวันถูกเลยเพราะความอยากนะนะั่นแหละมันเป็นกิเลสความอยากมันยังอยู่สติมันไม่มีหรอกแต่ถ้าอาจารย์รู้ว่าอยากปฏิบัตินะรู้ว่าอยากปฏิบัติอาจารย์ปฏิบัติเสร็จแล้วเนะนี่ยเข้าไปสังเกตมันทราบไหมจะหนี้เข้าไปดูมัน ให้รู้ทันใหม่ๆงงนะต้องรุ่งสีค่อยๆรีบ ย, ยากเข้าใจยากนิดหนึ่งนะยากคือเราคุ้นเคยกับการรู้อารมณ์ภายนอกอารมณ์ที่เป็นสมุนบัญญัติเราไม่คุ้นเคยที่จะรู้รูปนามกายใจของเราเองนะงั้นให้มารู้กายรู้ใจตัวจริงๆนะี่ยากที่สุดเลยอย่างจิตใจของเราเนี่ยมีความสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้าง วิ่งเกิดทางตาบ้างเกิดทางหูบ้างเกิดทงา ง, ดทงใจบ้างสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยเห็นก็เลยยากอะไรที่เราคุ้นเคยล่ะเรื่องที่คิดเนี่ยสิ่งที่ดูสิ่งที่ฟังสิ่งที่คิดเนี่ยเราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้รู้แต่ของข้างนอกไม่รู้เข้ามาที่กายที่ใจแท้ๆของเราอาจารย์รู้สึกไหมว่าวันบนเราคิดเยอะแยะเลยเนี่ยพอมันคิดต่อไปนี้นะไม่ต้องทําอะไรนะ มันแอบไปคิดรู้ว่าจิตเนี่ยไปคิดแค่นี้ปุ๊บนะทันทีที่รู้ว่าคิดนะความคิดจะขาดสะบั้นเลยแต่ถ้าเวลาทํางานต้องคิดไม่คนละเรื่องกันนะดนั้นต้องคิดให้รู้เรื่องอย่าตอนนี้อาจารย์หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมยากเว้น ย, ย น, นี่ไงเห็นไหม อาจารย์จะพยายามถามตลอดลว่าจะทำยังไงถึงจะถูกก็เหมือนพวกสองคนนี้ถามนะนี่ถามมาเป็นปีๆแล้วทำาไงจะถูกทำยังไงก็ผิดตลอดเลยนะแต่ถ้าจิตใจของเราแอบไปทำอะไรเรารู้ทันนั่นแหละถูกแล้วนะพระพุทธเจ้าไม่เริ่มสอนตรงที่ว่าทำยังไงถูกนะพระพุทธเจ้าเริ่มสอนทำมาจากกัปวัฒตนสูตรจารย์เคยอ่านไหม ทำไมจกากกบฏรัตนสูตรเริ่มต้นสอนพระปัญจวัคคีย์บอกว่าที่สุดสองอย่างที่บัญชิตไม่ควรเสพบัญชิตหมายถึงผู้ปฏิบัติอย่างเราก็เอาเมาด้วยนะสองอย่างที่ไม่ควรเอาอันหนึ่งเรียกว่าการสุขผริกานยกิยโญการเที่ยวหาอารมณ์ที่พอใจอย่างเราอยากดูเห็นไหมขณะที่เราอยากดูได้ยินเสียงอะไรข้างหลังเราอยากดูหันไปดูนู่นใจเราวิ่งออกไปและ เราลืมตัวเราเองนะขณะที่ฟังตั้งใจฟังเราก็ลืมตัวเราเองเองีกนะจิตมันมีความอยากนำหน้ามันอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดนึกปรุงแต่งทางใจนะมีความอยากหกอย่างเกิดขึ้นมานะไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังก็ได้เอาอย่างงี้ง่ายๆเลยนะถ้าได้ยินเสียงนกร้องแล้วมีความสุข รู้ว่ามีความสุขนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วนอนกลางคืนหมาข้างบ้านเห่าไม่เลิกเลยลำคาลําคาญ ร, รู้ว่าลำคาเนี่เสร็จแล้วปฏิบัตนะิสงสัยอีกแล้วเห็นไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยนะ <c oughs> แต่ก็อยากให้หายลำคาญสังเกตไหมเราไม่ได้รู้ความลำคาด้ว้ใจที่เป็นกลางฟังหมาเหา่า อยากให้มันเลิกเหา่ามันไม่เลิกแล้วกลุ่มใจเห่นะไหมทีแรกอนะ่ะหมาเห่าเข้ามาหูเรานะเราได้ยินเสียงแต่เราพอเราใจเราไม่ชอบใจเราไม่ชอบเราอยากให้เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นใจเราก็เป็นทุกขนะ์แต่ถ้าเราฟังปฏิบัติชำนาญขึ้นหมาเห่าลาคาญนะรู้ว่ า, าําคาญไม่ต้องอยากให้หายลาคาญด้วยให้รู้ว่าใจําคาญเฉย ถ้าอยากให้หายลาคารหรืออยากให้หมาเลิกเห่านะยิ่งทุกข์หนักเลยเพราะฉะนั้นใจเราเกิดความยินร้ายขึ้นมาคือไม่ชอบใจให้รู้ว่าไม่ชอบใจวิธีปฏิบัติง่ายๆเลยนะอาจารย์เอาง่ายๆเลยเมื่อตาเราเห็นรูปเนะี่ยความรู้สึกยินดียินร้ายเกิดที่ใจนะให้รู้ทันมันเช่นเห็นนะอาจารย์รุ่งสีมาดีใจดีใจรู้ว่าดีใจนะะอเห็น สมพงมาสึกหน้าตาไม่น่าไว้ใจกลัวเขาเนรู้ว่ากลัวเนี่ยให้รู้ที่ใจของเราใจเราไม่เป็นกลางใจเราเหวี่ยงซ้ายเวี่ยงขวาตลอดๆๆมๆๆไม่ความต่างมันอยู่ตรงนี้พอเราเห็นว่าๆๆๆในในใคนนี้หน้าตาไม่น่าไว้ใจโยมสังเกตไหมเราจะคอยดูเขาใช่ไหมมันจะมาไม้ไหนต้องคอยระวังเขา เราไม่เห็นว่าความกังวลใจหรือความกลัวโผล่อยู่ในใจเราเราดูผิดตัวเรามัวดูเขาไม่ได้ดูตัวเราเองไม่ดูใจของเราเองหรือเห็นอาจารย์รุ่งสีมาเราดีใจใช่ไหมดีใจแทนที่เราจะรู้ว่าดีใจไม่หรอกเราโมวแต่สนใจอาจารย์รุ่งสีเนี่ยเราจะสนใจสิ่งอื่นไม่สนใจความรู้สึกของเราจริงๆ เพราะั้น จ, จริงๆแล้วความรู้สึกนี่นะทุกคนมีอยู่แล้วทุกคนรู้สึกได้อยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะรู้สึกอย่างเราถามว่ารู้จักโกรธไหมรู้จักทุกคนรู้จักโลภไหมรู้จักกลัวไหมรู้จักอิจฉาไหมเนี่รู้จักความกลุ้มใจไหมความกังวลรู้จักไม่รู้จักทั้งนั้นเลยแต่ว่าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเนี่ยมันมีนิดเดียวใจกังวลรู้ว่ากังวลส่วนคนทั่วๆไปพอกังวลนะ เป็นสนใจเรื่องที่ทําให้กังวลจะไม่เหมือนกันหรือได้กลิ่นดอกไม้หอมใจเราชอบแทนที่จะรู้ว่าใจเราชอบนะก็ะจะไปสนใจว่าดอกอะไรนะหอมดีสนใจออกไปอย่างนี้ละเลยที่จะรู้ใจตัวเองจริงๆนะมันกลับข้างกันนิดเดียวตมาเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอมาเป็นครวา่านตะไปเรียนกรรมฐานจากหลวงปู่ดูลงบอกให้อ่านจิตตัวเอง ตั้งแต่นั้นลืมคำว่าปฏิบัติเลยไม่คิดว่าจะปฏิบัติทำอีกแล้วจะอ่านจิตตัวเองรู้สึกน่าอ่านรับราชการอยู่ตื่นเช้ามาวันจันทร์ตื่นเช้าวันจันทร์พอนึกได้ว่าวันจันทร์เยใจกระทบความคิดคิดได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแรงเลยะพอตื่นขึ้นมานึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันศุกร์จิตใจสดชื่นเลยเห็นไหมใจกระทบกับความคิดความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันนะให้รู้ที่ความรู้สึกนะ ไม่ใช่รู้ว่าวันนี้วันจันทร์รู้ว่าวันนี้วันศุกร์ให้รู้ความรู้สึกของเราคนทั่วๆไปก็จะรู้ว่าวันนี้วันจันทร์วันศุกร์ไปอาบน้ำอย่างหน้าหนาวเนี่ยตามองเห็นตุ่มน้ำรู้สึกไงจานทร์เคยอาบน้ำในตุ่มไหหน้าหนาวพอเห็นตุ่มน้าสยองใช่ไม ziej? สยองรู้ว่าสยองรู้ที่ความรู้สึกของเรานะมาทานข้าวเจอของอร่อยดีใจเจอแต่ของไม่ชอบเลยไม่สบายใจ รู้ที่ความรู้สึกของเราออกมาที่ถนนเห็นรถเต็มถนนเลยรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเบื่อรู้สึกเซงรู้ทันใจของเราวันนี้ออกมาถนนว่างหมดเลยรู้สึกดีใจดีใจรู้ว่าดีใจนี่คอยอ่านใจของเราทําอยู่เท่านี้เองจันคอยเฝ้ารู้ไปอย่างนี้อยู่ในชีวิตจริงๆเลยการปฏิบัติไม่ต้องแยกส่วนจากชีวิตจริงๆเลย อย่งจะไปดูอิทิยาบทสี่นะถ้าไปดูแบบที่คุณทำมันต้องไปเข้าห้องเงียบๆอยู่คนเดียวนะน้องสลอนั่งไปดูว่า น, นี่รูปมันนั่งนะมันจะนั่งถึงเมื่อไหร่อ๋อมันเมื่อยลนะมันเมื่อยแล้วมันต้องเปลี่ยนอิทธิยาบทเพราะมันจําเป็นเนแล้วเราก็ไปนิ่งอยู่อีกละไม่ต้องทำอาหากินอะไรนะอันหนึ่ <c oughs> แต่ถ้าอ่านใจตัวเองได้นะมีสติอยู่เนี่ยจะยืนเดินนั่งนอนนะมันเห็นรูปเคลื่อนไหวทั้งวันเลยอยู่ในชีวิตจริงๆ อาจารย์รู้สึกไม่สบายใจบ้างไหมเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเนี้ย่ยก็แค่รู้ทันนะเ อ, อทราบลองดูซิความไม่สบายใจของเราคงที่ไหมดีกรีของมันอาจารย์สังเกตไหมเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาความไม่สบายใจเนี่ยที่เรียนไม่รู้เรื่องอะ่นะดูออกไหมมันไม่คงที่อ่นะ อ, أ, ออกอย่างนี้ใช้ได้นี่หัดดูอย่างนี้แหละความรู้สึกอื่นเกิดขึ้นนะไม่ใช่แค่ไม่สบายใจรู้ได้อย่างเดียวความรู้สึกอันอื่นเกิดขึ้นก็ดูแบบเดียวกันเนี่ยะเห็นอะไรเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดียเด๋ยวก็หายไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมเห็นไหมทำไมเราไป <ะ S 1> านึกถึงเราว่าแล้วเราไม่ไรูเร้เรื่องเลยไม่สบายใจเพราะเราไปคิดเอา เราไปคิดเข้ามาก็เลยไม่สบายใจแต่ถ้าเราก็ไม่สบายใจเกิดขึ้นรู้ว่าไม่สบายใ จ, น, ยใจนะเห็นว่าเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาขณะที่เรามาดูสภาวะที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่เนี่ยเราไม่ได้ไปคิดแล้วมันก็หายไปมันก็ดับความโกรธก็เหมือนกันอย่างเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเราเราก็คิดหน่อยหนึ่งมันจะแน่สั่แค่ไหนอันนี้ใสไม่ดีอะไรเงี้ยต้องคิดให้ค่านะว่าเป็นของไม่ดีโทสะก็เกิด จิตไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ตัดสินแล้วว่าไม่ดีโทสะเกิดนี้พอเราเกิดโทสะเราเกิดมาดูโทสะของเราเขาขับรถฝาดหน้าเราไปแล้วเราดูความโกรธของเราเราไม่ได้ดูเขาแล้วไม่ได้คิดเรื่องเขาแนละ้วความโกรธก็จะหายไปเราจะเห็นเลยความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาในใจเราเท่านะั้นเองเมื่อมันมีเหตุมันก็มาเมื่อหมดเหตุมันก็ไปสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเห็น ด, ดับมันดับหมดเลย ขณะนี้อาจารย์รู้สึกไหมกังวลใจน้อยลงรู้สึกไหมในแวบเนี้ยเนียใจใจเป็นสงสัยรู้สึกไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยเนี่ยเนี่ยให้หัดรู้ความรู้สึกสงสัยรู้ว่าสงสัยกังวลรู้ว่ากังวลเศร้ารู้ว่าเศร้าเป็นสุขรู้ว่าเป็นสุกรู้ว่ารรูลลง้ไปเรื่อยรู้ความรู้สึกไปเรื่อย มีปัชนาใช้รู้สึกเอานะไม่ใช้คิดเอาไม่ใช้เพ่งเอานะใช้รู้สึกเอาเอาคุณแอวรู้สึกไว้เอา ย, ยมหลวยห้ามหลับในรู้สึกรู้เรื่องอย่างนะดีแล้วค่นะคอยๆรู้ขึ้นมานะค่อยๆเข้าใจดีแล้วสังเกตไในใจเราค่อยใสสว่างขึ้นมานะรู้ทันอย่างนันะ้นดีแล้วล่ะนะมันค่อยสว่างขึ้นมารู้สึกไหมบังคับตัวเองอีกแล้ว ทำตัวให้สบายนะบางคนปฏิบัติสักคอคล็ดเลยใช้ไม่ได้นะคอคล็ดหลังเคล็ดโอ้ปฏิบัติทำไมมันทุกข์อย่างนั้นแค่สติเกิดจิตก็มีความสุขแล้วเพราะว่าจิตที่เป็นกุศลมันมีสมนัติเมทนาของอุเบกขาไม่มีความทุกข์นะเครียดนิดเดียวนะ่ะอกุศลแหะพอจะดูออกไหมใจเราหนีวับวับวับวับอยู่ทั้งวันนะนี่ยคอยรู้เรื่อยๆใหม่ๆก็รู้ยากนิดนึง คูอิริยาบทเสไิได้ได้จ็อกกิ้งนะจ็อกกิ้งทีแรกก็เฉยเฉยใช่ไหมจ็อกกิ้งนานนานรู้สึกมีความสุขใช่ไหมรู้สึกรีแล็กซ์รีแล็กซ์รู้ว่ารีแล็กซ์รีแล็กซ์แล้วสบายใจชอบใจรู้ว่าชอบใ จ, นะจะคอยรู้ทันคือสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องลงเข้ามาที่ใจนะอริยสัจจริงๆเกิดที่จิตเลยความพ้นทุกข์ก็พ้นที่จิตนะสมุทัยก็เกิดที่จิต อริยมรรคทั้งแปดตัวเนี่ยหลุดปล่อยอแล้วเราไม่ได้เรียนเพื่อไม่ให้หลุดด้วยวเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันห้ามไม่ได้อของเวลาที่เรามารู้รูปจ็อกกิ้งแล้วเราอยู่ที่รูปทำไมไม่ค่อยคิดรู้ไหมเพราะเราเพ่งรูป นี่คือลักษณะของชาญจิตจิตที่เพ่งไว้ไม่เกิดปัญญาตรงกลับมาเนี่ยห้ามดึงนะมันรู้เองรู้เใช้ได้เพราะงั้นคุณก็จับกิ้งไป พอจ็อกกิ้งไปแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันมันนะเอากลายเป็นฐานไปก็ได้นะให้ตามรู้รูปเดียวเลยนะไม่ห้ามมันนะยิ่งไปบ่อยยิ่งปัญญาเกิดเร็วยิ่งเห็นว่าบังคับไม่ได้อแวบบ๊แบๆบเนี่ยเกิดดับทียิบเลยนะนเห็นไหมตรงที่จะหลงไปห้ามไม่ได้ตรงที่จะรู้สึกตัวแกล้งรู้สึกไม่ได้ นะทาไม่ได้รู้สึกขึ้นมาแล้วรักษาไม่ได้ทำไมรู้สึกได้ชั่วขณะต้องเป็นคณิกาสมาธิเองคณิกาสมาธิสำคัญนะดีกว่าเพ่งฌานจิตไว้นิ่งๆไม่ได้อะไรเท่าไหร่หได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้ แต่พอชำนิชนานาญถึงที่สุดนะียนะมันจะรู้ทันใจของเราอยู่เรื่อยๆนะเพราะทำทั้งหลายเนี่ยใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าสำเร็จด้วยใจคล้ายๆจับหัวหน้าโจรได้นะแล้วการที่เราไล่รู้ทางทวารทั้งหกนะมันจะเหนื่อยนะสุดท้ายมันจะรวมเข้ามาที่ใจอันเดียวนะเคยอ่านเรื่องพระโพธิละไหมพระไบลานเปล่านะ ท, ที่เนนสอนพระโพธิละนะ ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะให้รู้ทันอยู่ที่ใจของเรานะรู้ทันอยู่ที่ใจอันเดียวเลยแต่ไม่ใช่เพ่งใจรู้กับเพ่งไม่เหมือนกันดีนะฟังกิ่ีเนี่ยรู้เรื่องขึ้นมาเยอะเลยนะดีละทําถูกละนะคอยรู้สึกเรื่อยๆดีละคิดแล้วยากไม่คิดไม่ยากอาจารย์คิดเก่งคิดเลยรู้สึกโอ้ยากจังพวกไม่คิดมากนะฟังไม่รื่อยๆหลุดตรงมาเลย อาจารย์สงสัยอีกแล้วทราบไหมรู้ไปที่ความรู้สึกสงสัยดูที่มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ค่อยรู้ที่ความรู้สึกของเราไม่ใช่รู้เรื่องอื่นนะรู้ความรู้สึกของเราเรื่อยๆความรู้สึกของเราเปลี่ยนตามการกระทบทางทวารทั้งหกตาเห็นรูปความรู้สึกเปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนใจคิดนึกความรู้สึกก็เปลี่ยนถ้ารู้ใจไม่ได้ก็รู้กายไว้ าก็กลายเป็นบ้านของใจรู้กายไ้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นใจขึ้นมาทีหลังเช่นเห็นกายเคลื่อนไหวนะไม่ใช่เห็นเราจ็อกกิ้งนะเห็นรูปมันไหวเห็นรูปมันเคลื่อนพอนะเห็นอย่างนี้ใจมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขก็เข้ามาที่ใจได้ถ้าดูใจไม่ออกก็มารู้กายนะถ้ารู้กายก็ยังไม่ไหวก็ทาสมถะไหวพระสวดมนต์อะไรก็ได้ก็เป็นสมถะแล้ว สมถะก็ยังไม่ไหวเลยเครียดจัดเลยไปดูหนังฟังเพลงก่อนอย่าไปดูหนังโป้นะยิ่งเครียดหนักดูอะไรก็ได้แล้วใจสบายก็กลับมารู้ว่าสบายคลิกกลับมาที่ลุงสีอยากแจ้งทำนะรู้เฉยๆรู้สบายรู้แบบคนมวงนอกนะอยากรู้แบบครุกวงในนะรู้ห่างๆ